ที่เรามาไหว้พระธรรมมาทำมานุสติาการระลึกถึงพระธรรมอะไรคือพระธรรมอะเอาอะไรอ่ะพระธรรมในที่นี้ได้แก่อะไรเพราะเพราะเรามาไหว้พระธรรมกันมานานใช่ไหมสวาคาโตพะเขาว่าตาธรรมโมสุปฏิปันโนพระเข า, าเอาอเมย์ไหมเขาบอกว่า สวาขาโตพะขวาวตาสวาขาโตพระกวาตาธรรมูนพระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วคำว่าพระธรรมในที่นั้นได้แก่อะไรเอา้านั่งหน้าถามหน่อยมรซ4ผลซีนิพาน1ใช่มั้ยมี9ใช่มั้ยเนี่ยมรไม่ โสดามากักโซดาผลสกาทาคายมักสกาทาคายผลน า, นาคามักนาคามีผลนี่แปดปดีใช่ไมพานินพานอีกหนึ่งเป็นเก้าใช่ไหมหมดได้ยังอะไรอีกพระไตรพิฎกไงพระไตรปิฎกไงวินยัยยพิฎกพระสุตันตปิฎกและพระวิธรรมพิฎกนั่นหนึ่งนั่นแหละคือพระธรรม แล้วจริงๆเวลาเราว่ายว่าธรรมเราคิดถึงเก้าอย่างนี้สิบอย่างนี้ไหมตรึกถึงพระสัทธรรมสิบประการไหมอะเมื่อกี้ไม่ตอบไม่ครบเลยก็แสดงว่าคิดไม่ครบใช่ไหมอย่างนจริงๆมีสิบมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแล้วก็พระปริยัติธรรมคือพระไตรปิดกหนึ่งรวมเป็นสิบไหมในต้องจับประเด็นให้ได้ก่อนนี่คือพระธรรม ถ้าเรามาจับพราธรรมไม่ได้เราจะไปไหว้ถูกพระธรรมยังไงแต่เนี้ยมองเห็นได้ยังแตเนี้ยอันนี้นิสาระนาคมยังไม่ผ่านเ น, น, น, นี่เนี่ยใช่ไหมนิสารณะนาสนี้เนี่ยอันนี้มันข้อเท็จจริงเลยเนะทีนี้พอบอกมรซีผลซีนี่ผ่านหนึ่งเป็นพระธรรมแล้วเนี่ยพ่อบอกว่า พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วที่พระเจ้าตรัส ไ, ไว้ดีแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะจำแนกอะไรจำแนกปฏิปปิสัตธรรมหรือปริยติสัตยธรรมแล้วก็ปฏิบัติสัตยธรรมแล้วก็ปฏิเวทะหรืออธิคมะสัธรรม จำแนกออกสามไงจึงเรียกว่าตัดไว้ดีแล้วพราะเราบอกสุปฏิปันโนยออขอภยอภัยเพราะสว่าขาโตภักวะตาธรรมโอใช่ไหมพระธรรมเป็นธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตัดอะไรดีเนี่ยงงอีกส่วนตรงนี้ก็งงอีกอ่ะงง <c oughs> ก็ตรัสว่าพระสัตธรรมตรัสไว้ดีไหมปริยสัตยธรรมเนี่ยเอาวินัยเนี่ยตัดไว้ดีไหมสมองหมื่นสี่พันพระธรรมอาคารเนี่ยตัสไว้ดีแล้วพระสูตร สองหมืหนึ่งพันพระธรรมขันตรัสไว้ดีไหมดีแล้วพระพิธรรมสี่หมืนสองพันพระธรรมขันตรัสไว้ดีไหมดีแล้วแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันี่ยตรัสไว้ดีแล้วนี่คือพระปริยติสัตธรรมปฏิบปปิสัตธรรมแล้วล้กลั่นออกมาได้ไงวินัยคือศีลพระสูตรคือสมาธิอริธรรมคือปัญญา นี่มากลายเป็นปฏิบัติสัตยธรรมก็คือเดินตามศีลสมาธิปัญญานี่เดินตามมรรคถ้าขยายออกก็คือมรรคแปดเปฏิปปิติสัตธรรมนี่ตรัสไว้ดีไหมปฏิปปิติสัตธรรมเอาปฏิบัตรริไว้ดีแล้วขยายเป็นอินสียห้าได้ไหมได้ไม่ได้เป็นพระห้าได้ไหมเป็นโพ่อชงเจ็ดได้ไหมเป็นสติปัฏฐานสี่ได้ไหมนี่ไง นี่ไงคือปฏิปฏิศาสธรรมปฏิบัติสัสธรรมตรัสไว้ดียังที่ไม่ดีคือใครเราเนี่ยทําไม่เราไม่เดินตามเนี่ยแต่นี่จะเห็นแล้วในเนี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วพระธรรมที่พระาศาสดาเนี่ตรัสไว้ดีแล้วอธิคมาสาศธรรมมรซีผลสี่นิพพานหนึ่งตรัดไว้ดียังดีแล้ว แต่เราไม่เข้าถึงความดีตรงนี้ใช่ไหมฉะนั้นสรุปแล้วภาษาสดาตรัสไว้ดีหมดเลยทุกส่วนเลยทั้งส่วนคําสอนทั้งส่วนแนวทางการปฏิบัติทั้งส่วนจุดหมายปลายทางคือการเข้าถึงแล้วมีใครละตรัสไว้ดีขนาดเนี้ยนี่ไงคําว่าสว่าขาโตพระคัมภตาธรรมโมอพอหรือยังแค่เนี้ย ยังยังไม่พออีกตอนี้ไม่พอต่อการที่ศรัท ธ, ธาจะเดินไงทีนี้ถามบอกว่าที่บอกว่าพระธรรมที่งามในเบื้องต้นงามใน่าำกลางงามในที่สุดเนี่ยถามว่าได้แก่อะไรอะไรศาสน า, าพรหมจันทร์และมรรคพรหมจันทร์ ที่ถึงพร้อมด้วยอัฏฐาและปัญญชนะหมดจดบริสุทธิ์บริบรูณบรณ์สิ้นเชิงอ่ะไม่มีความบกพร่องเลยแม้เท่าปลายขนทรายอ่ะศาสนาพรหมจาร์เนี่ยหมายถึงคําสอนมรรคพรหมจารย์เนี่ยหมายถึงอริยมรมรคหมายถึงอริยมรรคฉะนั้นศาสนาพรหมจาร์และมรรคพรหมจาร์นี่ยเขาเรียกประพฤติพรหมจาร์ถ้าศาสนาพรหมจาร์ พร้อมด้วยสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเ น, นี่ยตอนเนี้ยเรากําลังมาประพฤติอะไรกันประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรร ย, ร ย, รรย์เพื่อจะทําสาตอนนี้กําลังเข้าถึงาศาสนพรหมจรรย์และเดินตามศิกขาสามอยู่ฟังาศาสนพรหมจรรย์ก็คือฟังวินยัยฟังพระสูตรฟังพระวิธรรมเพื่อจะกลั่นออกมาเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขาเนี่ยเอามาปฏิบัติ และเพื่อเข้าถึงมรรคกัพ ร, รมจาจันคืออริยมรรคนี่เาเรียกว่ า, าศาสนาพรมจาจันและมรรคกรพรมจาจันที่ถึงพร้อมด้วยอัฏถอัฏถคือเนื้อความพยัญชนะทุกคำนี่มีพยัญชนะบอกบริบูรณ์ัหมบริสุทธิ์ไมบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเพราะไม่มีความบกพร่องเพราะผู้กล่าวเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์คือพุทธายา พระเจ้าเนี่ยผู้บริสุทธิ์หมดจอดจากราคาโทสะโมห oh ะฉะนั้นทามองอย่างนี้จะได้เห็นว่าโอ้ไม่มีความบกพร่องเลยแม้เท่าปลายขนทรายขนทรายนี่เล็กมากเล็กกว่าขนจมจุลีจามรีนะจามารีเล็กมากถ้าอย่างนี้เราจะน้อมบูชาว่าทมรัตนาได้ไหมถ้าเข้าใจอย่างเงี้ย น้อมบูชาได้ไหมศีล เ, เ, เป็นความงามในเบื้องต้นไหมเป็นความงามในเบื้องต้นเพราะอะไรเพราะเป็นมูลรากแห่งความดีทั้งปวงไหมเป็นไม่เป็นศีลเนี่ยเป็นความงามในเบื้องต้นเพราะเป็นมูลรากของความดีทั้งหมดเช่นความดีระดับที่จะได้ สมถะได้วิปัสสนาได้มากได้ผลเนี่ยต้องมีศีลเป็นมูลรากไหมทุกวันนี้บางทีเรานี่นยเราทําบุญแล้วอยากจะทําแต่ยอดเนี่ยยอดจะขึ้นได้เพราะอะไรฐานรากเราจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยฐานรากไม่มีจะเดินยังไงเนี่ยมองเห็นไหอยังเห็นชัดไหมในนี้จะไปทํำยังไงจะให้ใจดีลอยอุนหภูมิเนี่ ย, ย จะให้สมาธิลอยได้ยังไงลอยบนความทุศีนหรือได้ไหมสมาธิจะลอยอยู่บนความทุศีลไม่ได้ปัญญาจะมาลอยอยู่บนความทุศีนไม่ได้เหมือนยอดเจดีและกลางเจดีจะลอยอยู่บนอากาศโดยไม่มีฐานรากไม่ได้มองเห็นไหมเนี่ยอย่าลืมว่าจริงๆแล้วที่วิปัสสนาเดินไม่ได้เพราะทุศีเพราะบกพร่องที่กุศลศีล สมาธิเป็นความงามในท่ามกลางไหมเพราะสงบอะไรสงบนิวรณนแต่ตอนนี้นิวรณ์สงบไหมเนี่ยการไม่ฉันทะยังมีอยู่ไหมพยาบาทยังมีอยู่ไหมทีน่ะมิทะไม่มีจริงเลยเนี่ยโงกง่วงซึมเซาเหงาหงอยมีไหมยังมีอยู่เนี่ยมัย ง, งเพราะไม่มีสมาธิไม่มีความงามในท่ามกลางเพราะอะไรเพราะไม่มีสี เพราะศีลไม่แข็งแรงนั่นเองเนี่ยใช่ไหมความนี่ความงามในเบื้องกลางก็ไม่เกิดเพราะถ้าสมาธิเป็นความงามในทางการสงบระงับนิวรณ์เครื่องกั้นความดีเสียได้ปัญญาเป็นความงามนี้ที่สุดเพราะอะไรเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงทําให้เบื่อหน่ายไหมถ้าปัญญาเกิดถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาจะทําให้เบื่อหน่ายทําให้คลายกำหนัด แล้วก็จะหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงได้ทุกวันนี้เบื่อตอนนี้เบื่อหน่ายไหมเบื่อหนายส่วนมวลฟังธรรมเบื่อหน่ายไหมถ้าเบื่อหน่ายตรงนี้ไม่ใช่ปัญญาอันนี้ก็เรีอกโทสะงั้นเบื่อหน่ายเนี่ยถ้าเบื่อหน่ายที่เป็นปัญญาเป็นการเบื่อหน่ายจากเบื่อหน่ายสภาพการที่จะต้องมาอยู่กับตาหูจบุกเลีย้ยงยใช่นี่ถึงมองที่จะเห็นอะไรตัวเนี้ย ปัญญาจะต้องมีสมาธิเป็นประจักแล้วก็รู้ว่าอะไรงามในเบื้องต้นทุกครั้งที่ในรายละเอียดเยอะมากอันนี้แค่บทเดียวนี่เนะีสว่าขาโตเนี่ยอีกเยอะเข้าใจอย่างว่าพระธรรมของพระพุเจ้าถ้าไม่เข้าใจไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้จะเข้าถึงยังไงสวดไปสิพูดภาษาสวดไปถ้าไม่มีข้อมูลสวดไปเถอะเนี่ยฉีกถึงหูเนี่ยเนี่ยฉีกถึงหูเนี่ย สมาธิไม่ต้องอะไรแล้วผู้นี้นั่งขุดดินยังได้เลยสมาธิแต่นเป็นมิจฉาสมาธิเห็นไหมจริงๆมันหลักการคื อ, อยังไงต้องข้อมูลต้องต้องต้องต้องเข้าใจไหมต้องเข้าใจจริงๆพระศาสดาสอนความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมจากบรรลุธรรมที่เลิศด้วยธรรมะที่เลวได้ไหมเอาทีน้ำมีท่าไปบรรลุพระนิพพานได้ไม คงไม่ได้หรอกเขาห้ามเขาไม่ให้เอาจิตหดหูไปบรรลุพระนิพพานไม่ได้เอาจิตฟุ้งซ่านไปบรรลุพระนิพพานไม่ใช่เอาจิตท้อถอยไปบรรลุพระนิพพานไม่ใช่เอาการมไปรฉันทาไปบรรลุพระนิพพานไม่ใช่เอาพยาบาทไปบรรลุพระนิพพานไม่ได้จิตต้องสะอาดไหมจิตโสขปกบรรลุพระนิพพานไม่ได้ทำไมจิตเราจึงหนักเพราะไม่ได้ถูกชาระ นี่นะกระแสะเลือดของเรานี่นะถ้าเป็นกระแสะเลือดที่มีเคเลตินินมากมันจะหนืดมันจะหนักมันจะทำให้ปวดให้เมื่อยมันจะคิดอะไรไม่ออกหรอกเพราะเลือดไม่สะอาดไม่มีสภาพของร่างกายเข้าไปฟอกเลือดให้สะอาดได้จิตสะอาดไม่มีทางจะเห็นคำศสอนของภาษาสระฉะนั้น คนที่ประพฤติผิดทั้งหลายจึงไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าเลยฉนั้นคนที่ชำระจิตให้หมดจดท่านั้นเน่ที่จะเห็นคุณของพระศ า, าสดาพอจะมองเห็นไหมนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเอาบทเดียวก่อนเนาะสวาคาโตภพวตาทะมุต้องานก็นตรงใสทั้งคืน เ, นเอามาสงสารใครไม่รู้สงสารคนพันยาย ใช่ไม้มน่าสงสารไ ห, หน่าจะเถอะเอา้าวขึ้นสู่ปฏิบันโนขึ้นสังขารนุสตินี่การระลึกเนี่ยแต่ละคําแต่ละความหมายเนี่ยคือมาต้องการอยากจะให้สวดมนต์แล้วเข้าใจกันเนี่ยไม่ต้องการให้ขับเน้นสวดแบบเขาเรียกนกอะไรนะขนาดแปลออกมายังกลายเป็นนกแก้วนกขนทองอีกใช่ไหมขนาดแปลแล้วยนะเนี่ย อยากไทยสู่ไทยเนี้นเนี่ยนั้นจึงบอกว่าเกี่ยวกับ ต, ต้องต้องทำความเข้าใจจริงๆนะถ้าเข้าใจแล้วศรัทธาจะตั้งมั่น